เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทาน มารักษาศีลมาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมเพราะมีความเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่ดีที่สุดเพราะเป็นคําสอนที่ตรงกับความจรงิงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นไม่เป็นคําสอนที่ผิด จากความจริงเลยผู้ที่ปฏิบัติตามจะสามารถพิสูจน์ได้โดยที่ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาพิสูจน์ให้กับตนเพราะเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองทุกคนถ้าปฏิบัติตามแล้วก็จะรู้จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นจากกรรมทั้งนั้นคือสัตว์โลกทั้งหลายตั้งแต่เท้ามาหาพรหมลงมาจนถึงมนุษย์ถึงเดรัจฉานถึงเปรตถึงสัตว์นรกทั้งหลายมีกรรมเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้น ไม่มีสัตว์โลกหรือพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเช่นพระพรหมก็ดีหรือพระอินทร์ก็ดีที่จะมาสร้างให้มีสัตว์โลกชนิดต่างๆเกิดขึ้นมาสัตว์โลกทั้งหลายที่มีทั้งสูงและต่ำล้วนเกิดมาจากกรรมทั้งสิ้นกรรมก็คือการกระทำ ของจิตแต่ละดวงสัตว์โลกทุกตัวมีจิตอยู่กันคนละดวงและจิตดวงนี้เป็นผู้ที่สร้างให้เป็นสัตว์โลกชนิดต่างๆเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกนี้เกิดขึ้นจากการกระทาของจิต ในแต่ละดวงจิตนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นมาโดยการกระทาดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกให้สัตว์เป็นชนิดต่างๆสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นผู้สร้างขึ้นมา มีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผู้ที่กระทำกรรมก็คือใจส่วนกายนี้เป็นผู้กระทำตามผู้ที่สั่งการนั้นก็คือใจ แล้วก็สั่งไปที่กายและที่วาจาให้ทำกรรมชนิดต่างๆมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีและกรรมที่ไม่ใช่เป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเนี่ยกรรมก็มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันถ้าทำกรรมดีเช่นทำบุญให้ทานอย่างนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล ก็จะทำให้ไปสู่ที่สุขติไปเป็นการสร้างภพของเทพของพรหมของมนุษย์ถ้าทำบาปทำกรรมเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จก็จะสร้างให้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้าง เป็นสัตว์นรกบ้างนี่ไม่มีใครสร้างมีแต่ใจของแต่ละสัตว์โลกแต่ละแต่ละตัวที่กำลังเป็นผู้สร้างกันอยู่พวกเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เพราะเราได้สร้างกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นั่นเองคือมีศีลห้าเป็นหลัก ถ้าอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องมีศีลหา้าจะรักษาได้มากหรือน้อยก็จะเป็นโอกาสที่จะได้มาเกิดมากหรือน้อยนั่นเองถ้ารักษาได้มากโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมากถ้ารักษาน้อยโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็มีน้อยทุกอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่ใครทงนั้นพระเจ้าเองก็เป็นผู้ต้องสร้างตนเอง mm hmm. เช่นทาทาบุญรักษาศีลก็ได้ไปเป็นเทพท mm hmm. ่านอ้างสมาธิทําจิตใจให้สงบ mm hmm. ก็จะได้ไปเป็นพรม mm hmm. ถ้าอยากจะไปเป็นพระอาหารหันต mm ์ hmm. เป็นพระพุทธเจ้า ก็ต้องทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิและเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจงคือไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนเป็นอนัตตาไม่มีตนไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้าพิจารณาได้ถ้าปฏิบัติได้ก็จะได้ไปเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ไขทั้งนั้นอยู่ที่ใจของแต่ละคนของแต่ละสัตว์โลก ังนั้นเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่ทำให้ไปเกิดเป็นสิ่งต่างๆได้และผู้ที่ไปเกิดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือผู้สร้างนั่นเองก็คือใจใจของพวกเรานี้ในอดีตได้รักษาศีลกันจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันถ้าเราทำบุญมากในอดีตคือทำบุญให้ทานมากด้วยรักษาศีลด้วย เราก็จะมาเกิดมีฐานะที่ดีมีเงินมีทองมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามถ้าเรารับสาศีนินแต่เราไม่ชอบทำบุญให้ทานมีความตระหนี่มีความหวงแหนในสมบัติข้าวของเงินทองเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ร่ำรวย มีฐานะที่ไม่ค่อยดีทางการเงินการทองมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยไม่งามนี่เป็นอนิสง์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์คือต้องมีศีลหา้าแล้วถ้าอยากจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีฐานะดีมีเงินมีทองก็ต้องเป็นคนใจกว้างเป็นคนใจบุญ ชอบทำบุญให้ทานชอบสงเคราะห์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นถ้าอย่างนี้แล้วก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ที่ที่มีรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสมีมีทรัพย์ ส, สมบัติเข้าของเงินทองถ้าอยากจะเป็นคนที่ฉลาดก็ต้องฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆเช่นชอบมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนี้จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาที่สำคัญต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าสนใจศึกษา วิชาความรู้ทางโลกก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิชาที่ดีจริงเพราะจะไม่ได้ช่วยเหลือให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดวิชาความรู้ทางโลกเป็นวิชาที่นำเอาไปทำหมากินมีอาชีพที่ดี เ่นถ้าเรียนหนังสือจบปริญญาสูงสูงก็จะได้งานที่ดีมีเงินเดือนสูงสูงมีเงินเดือนมากๆ ม, มีตำแหน่งสูงสูงถ้าขี้เกียจเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนหนีโรงเรียนอยู่เรื่อยๆเรียนไม่จบเวลาจะไปหางานก็จะหางานที่ไม่ดีงานที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก เช่นไปเป็นคนตัดหญ้าเป็นคนรับใช้ซักเสื้อผ้ากวาดบ้านถูบ้านเป็นพานโรอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่มีปัญญาและเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ไม่มีความฉลาดเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นคนที่ไม่ชอบไฟ รู้ไม่ชอบศึกษาหาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราทั้งสิ้นไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดทำให้เราได้มาเกิดมีความแตกต่างกันทั้งในทางฐานะการเงินการทองในรูปร่างหน้าตาในความรู้ความฉลาดและ ความมีอาการครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่ก็เช่นเดียวกันเกิดอยู่ที่ว่าได้รักษาศีลไว้ได้มากน้อยเพียงไรนั่นเองถ้ารักษาได้มากไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นก็จะมีรูปร่างที่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วถ้า ทำบุญถ้าไม่ชอบรักษาศีลชอบทำบาปทำกรรมอยู่เป็นนิสัยก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานก็คือสุ น, นัขแมวอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่รักษาศีลกันรักษาได้น้อยมากไม่เหมือนกับคนที่ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ พวกนี้รักษาศีลได้มากทำบาปน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเดราจฉานได้อีกถ้าไม่อยากไปเกิดเป็นเดราจฉานเลยก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ตลอดเวลาคือไม่ละเมิดเลยแม้แต่ข้อเดียวทั้งชีวิตเลยบุคคลที่จะทำอย่างนี้ได้ก็มีพระอริยเจ้าเท่านั้นคือ พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิตาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ท่านจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยถึงแม้ท่านจะต้องเสียชีวิตไปท่านก็ยอมเสียแต่จะไม่ป้องกันชีวิตของตนของตนด้วยการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเช่นมี สัตว์อะไรจะมากัดมาทำร้ายท่านถ้าท่านหนีไม่พ้นท่านก็ยอมให้มันกัดตายไปแต่ท่านจะไม่ฆ่ามันเพื่อเป็นการป้องกันตัวถ้ารักษาศีลได้อย่างนี้ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรก แต่ถ้ายังทำไม่ได้ถึงแม้จะรักษาศีลได้อยู่ตลอดเวลาเป็นส่วนใหญ่แต่พอถึงเวลาที่จะต้องรักษาชีวิตของตนเองก็จะไปฆ่าผู้อื่นเช่นเกิดอดอยากขาดแคลนไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารมารับประทานก็ไปยิงนกตกปลา เพื่อที่จะได้ให้มีอาหารไว้รับประทานอย่างนี้เมื่อตายไปก็ยังมีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้เพราะรักษาศีลไม่ได้บริสุทธิ์ครบถ้วนบริบูรณ์แต่โอกาสที่จะไปเกิดก็อาจจะมีน้อยถ้ายังรักษาศีลได้ไปเรื่อยๆ ย, ยกเว้นในกรณีจาเป็นเท่านั้น ดังนั้นการที่จะไปเกิดเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าได้รักษาศีลมากหรือน้อยเพียงไรถ้ารักษามากโอกาสที่จะมาที่จะไปเกิดในสุคติที่จะไปเป็นมนุษย์เป็นเทพกก็จะมีมากถ้ารักษาน้อยโอกาสที่จะไปก็มีน้อยโอกาสที่จะไปเกิดในอบายก็จะมีมากนี่คือเรื่องของ กรรมเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่สามารถที่จะมาทำบุญทำกรรมแทนเราได้เช่นเราตายไปแล้วผู้ที่เขากรวดน้ำอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็เพียงแต่เป็นการส่งเสษบุญไปให้เท่านั้นบุญที่ญาติโยมทำแล้วอุทิศไปนี้ อุทิตไปได้เพียงเสี้ยวเดียวเช่นทำร้อยหนึ่งก็อุทิตไปได้เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นอีก99ส่วนเป็นของผู้ที่อุทิตผู้ที่รับอุทิตนี้รับได้เพียงส่วนเดียวเพราะฐานะของผู้รับนั้นมีภาชนะรองรับอยู่นิดเดียวจึงรับมากไม่ได้ และผู้ที่จะรับนี้ก็ต้องเป็นเปรตเท่านั้นถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นก็จะรับไม่ได้เช่นไปเกิดในนรกไปตกนรกก็จะรับบุญที่อุทิศไม่ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็รับไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับบุญอุทิศเพราะมีบุญมากพอ ที่จะเลี้ยงดูจิตใจของตนให้อยู่เย็นเป็นสุขได้มีพวกเปรตเท่านั้นที่อาศัยบุญอุทิศพวกเปรตก็คือพวกที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ไม่ชอบทำบุญให้ทานมีแต่ความโลภชอบหาเงินหาทองให้กับตนเองแล้วก็หวง เก็บไว้มีความตนีอย่างนี้เป็นต้นไม่ไม่ทำบุญเก็บเงินไว้อย่างเดียวหามาได้มากน้อยเพียงไรก็เสียดายไม่อยากจะให้ใครพอตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตนี่นี่คือเรื่องของสัตว์โลกชนิดต่างๆที่มีอยู่ในวัฏสงสารคืออยู่ในตายพบ คือกามภพรูปภพและอรูปภพสัตว์โลกส่วนใหญ่นี้จะเกิดในกามภพเพราะยังมีความยินดีในกามอยู่คำว่ากามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะถ้ายังชอบที่จะดูหนังฟังเพลงยังชอบกินชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวชอบหาความสุขจาก สิ่งเหล่านี้ตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดในการมาพบถ้าเป็นคนที่สนใจชอบนั่งสมาธิไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบเดินไม่ชอบเล่นไม่ชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายชอบนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบให้เป็นฌานพวกนี้ก็ จะไปเกิดในรูปะพบหรืออรูปะพบเป็นพรมอยู่สองระดับคือรูปประพรมกับอรูปประพรมแต่ถ้ายังมีความยินดีในการอยู่ก็จะไปเกิดในการมาพบคือพบของเทพลงมาเทพทั้งหลายนี้ก็ยังยินดีในการยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ แต่จะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณที่ละเอียดที่เรียกว่ารูปทิพย์กายทิพย์เสียงทิพย์เป็นต้นส่วนพวกมนุษย์นี้ก็จะยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นส่วนหยาบอย่างพวกเรานี้เรายังยินดีที่จะดูที่จะฟังที่จะลิ้มรสที่จะดมกลิ่นที่จะสัมผัสกับสิ่งต่างๆอยู่ หรือพวกเดรฉ า, านทั้งหลายก็เหมือนกันก็มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะที่อยากเช่นเดียวกับมนุษย์ส่วนพวกเปรตพวกสัตว์นนรกนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ลิ้มรสเพราะจะต้องใช้เวรใช้กรรมอยู่ในนรกหรือถ้าเป็นเปรตก็มีแต่ความหิวความอยากความกระหาย ไม่มีไม่มีไม่ได้ลิ้มรสในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้ลิ้มรสอยากจะได้สัมผัสส่วนผู้ที่นอกจากทำบุญให้ทานรักษาศีลและนั่งสมาธิแล้วและยังเจริญปัญญาคือเจริญวิปัสสนาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายคือขันห้า ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายของเราร่างกายที่มีอาการ32เวทนาก็คือความรู้สึกเช่นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ รูปเสียงกลิ่นรสผดพถรพะที่มาสัมผัสกับตาหูจหมูกลิ้นกายพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจงคือไม่เที่ยมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเช่นร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวทนาก็เกิดมาแล้วก็ดับไป ความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เช่นเดียวกันเกิดมาแล้วก็ดับ yes. ไปส mm ังขารความคิดปรุงแต่งก็เช่นเดียวกันเกิดมาแล้วก็ดับไปคิดเรื่องนี้แล้วก็ดับไปไปคิดเรื่องนั้นต่อ คิดแล้นั้นต่อเราก็เขไปคิดเริ่มนู้นต่อคิดไปเรื่อยๆคิดไปแล้วก็ดับไปหายไปไม่มีไม่มีสาระเป็นเหมือนกับหิ่งห้อยเกิดดับแสงของหิ่งห้อยที่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผู้ที่จะต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด จะต้องพิจารณาให้รู้ทันแล้วปล่อยวางให้เห็นว่าไม่เที่ยงแล้วก็ไม่มีตัวตนเช่ mm hmm. นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไยเป็นเพียงอาการสามสบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไป มาจากอาหารอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟถอาพิจารณาไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์ก็เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากวัตถุต่างๆมีเหล็กมีพลาสติกมีกระจกมียางเป็นต้นเอามาผสมกันมารวมกันก็กลายเป็นรถยนต์ขึ้นมา ใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เก่าแล้วมันก็พังไปร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันกอดมาแล้วมันเดี๋ยวก็แก่ลงไปแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปพอตายไปถ้าทิ้งไว้มันก็จะเน่าเปื่อยไปกลายเป็นดินไปหมดกายถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้า ไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าพูดพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเพราะถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์เวลายึดติดกับร่างกายว่าเป็นเราเป็นตัวเราพอร่างกายเป็นอะไรก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์เกิดความกลัวขึ้นมาว่าจะตายหรือไม่ นี้เป็นต้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่เที่ยงไม่มีตัวตนถ้าเห็นแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายก็จะปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็จะสบายใจร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้น ร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็เป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นขี้เท่าขี้ถานไปเดี๋ยวก็ต้องจับใส่รงจับเข้าไปเผาในเตาไฟไม่มีใครหนีพ้นไปได้เพราะธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้จึงไม่ควรไปยึดไปติดเพราะถ้าไปยึดไปติดแล้วจะทุกข์มากถ้าไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์ เช่นเราไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่ใดไปยึดไปติดกับเขาเวลาเขาตายไปเราก็ไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจร้องหง่มร้องไห้แต่อย่างใด ร, ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องไม่ยึดไม่ติดเช่นเดียวกันเราต้องปล่อยวางเมื่อถึงเวลาที่เขาจะไปจากเราก็ให้เขาไป ถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเช่นเดียวกับเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เขาก็สลับผัดเปลี่ยนกันกันมาแล้วก็ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวสุขมาแล้วก็ไปเดี๋ยวทุกข์มาแล้วก็ไปเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์มาแล้วก็ไปเราอย่าไปยึดอย่าไปติด คืออย่าไปยินดียินร้ายกับเขาเวลาทุกข์ก็อดทนเอาไว้เวลาสุขก็อย่าไปดีใจอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆเพราะพอเกิดความอยากก็แสดงว่าเราเกิดความยึดติดแล้วเมื่อมีความยึดติดเวลาที่มันจากเราไปเราก็จะเสียใจเราก็มีความทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมารับรู้มาสัมผัสนี้ล้วนเป็นไตรลักษ์ทั้งสิ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ให้ไปยึดไปติดให้ปล่อยวางให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เขามาก็มาเขาไปก็ไปไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นถ้าสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งบวงเพราะใจจะไม่มีความอยากได้อะไรอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากได้อะไรก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอีกต่อไปนี่คือใจของพระอริยเจ้าคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ท่านได้บำเพ็ญตั้งแต่การทำบุญให้ทานนักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาจนปล่อยวางอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้หมดท่านก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ในพระนิพพานที่มีแต่บรมสุขคือความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยนี่คือสิ่งที่พวกเรารู้ใจของโวกเราสามารถสร้างให้กับเราได้ ถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเขาให้เราพุ่งเป้าไปที่ตรงนี้เพราะสิ่ง อ, อื่นๆในโลกนี้มันไม่จรลังถาวรมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงอยากจะได้อะไรพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเสียใจมาร้องห่มร้องไห้กับสิ่งที่ได้มาเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เลยก็ต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปแต่ถ้าเราไม่อยากได้อะไรแล้วเลยเราจะอยู่อย่างมีความสุขทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรนี่แหละแต่จะมีความสุขมากกว่าคนที่มีอะไรเป็นหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะใจไม่ต้องการอะไรใจต้องการการหลุดพ้นอย่างเดียวใจต้องการการปล่อยวาง แต่ใจปล่อยวางไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนใจจะถูกความหลงคือกิเลสคอยหลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้ปล่อยไม่ลงปล่อยไม่ได้เมื่อปล่อยไม่ได้ก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่พวกเราได้ทุกข์กันมา ตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้น่าจะทุกข์กันไปเรื่อยๆต่อไปอีกนับไม่ถ้วนถ้าเราไม่นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแก้ไขความหลงที่หลอกให้เรายินดีหลอกให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายเพราะมองไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง เราจึงต้องมีศรัทธาความเชื่อแล้วก็น้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้มาปฏิบัติดังที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันขอให้ทำให้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วรับรองได้ว่าจิตใจของท่านจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนในวันข้างหน้า ยังขอฝากให้ท่านทั้งหลายจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ยินดีที่จะปฏิบัติตามเสมอแล้วชีวิตของเราจะไม่เสียประโยชน์ที่ได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาการแสดงก็เห็นว่าเห็นสมควรแก่เวลา